มันไม่ได้ไปตามที่ผู้กองสาวรอยไปเมื่อกี้นี้หรอกหรือครับแกอาจรู้มาก่อนฉันแล้วก็ได้ว่าไอ้แหว่งไม่ได้ไปทางนั้นแม้ว่าพวกมันส่วนใหญ่จะแกล้งเดินล่อไปทางนั้นพ่านใหญ่ผู้ทุน่นๆผมจะรู้ดีไปกว่าผู้กองได้ยังไงเจ้าคนดงผู้ลึกลับตอบหน้าตายพร้อมกับยักไหลเวทยะไปอึดใจก็ชี้มือลงไปทางหน้าผาราดต่ําลงไปสู่ด่งเบื้องล่าง แต่ถ้าผู้กองแน่ใจว่ามันไม่ได้ไปทางนั้นผมก็ขออนุญาตออกความเห็นว่ามันอาจหลบลงทางด้านนี้ก็ได้ปล่อยให้ลูกโขลงส่วนใหญ่ทํารอยล่อไปทางโน้นและผพินเหลือบมองลงไปยังหน้าผาราดแล้วหันไปจ้องหน้าแงซ า, ายอีกครั้งอย่างครางแครงเขามิกล่าวเช่นไรต่อไปเกาะรากไม้และแง่หินย่อนตัวลงไปตามหน้าผาเตีย้ยๆนั้นโดยเร็วทุกคนก็ตามเขาลงไปโดยมีแงซายาย่ยอนตัวลงตามหลังมาเป็นคนสุดท้าย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 ที่แท้มันรู้ว่าผมเดินเซอ้อไปสักพักแต่เดี๋ยวก็ต้องย้อนกลับมาอีกมันไม่อยากจะเดินไปกับเราให้เสียเวลานั่งกระดิกตีนรอสบายเฉิบถ้ามันบ่อเสียแต่แรกเราก็ไม่ต้องเสียเวลาเดินเลยไปเ ป, ปล่าเปล่าชา ย, ยันหน้าตื่นในคําพูดของเขาแล้วหูวเราออกมาอย่างขันขันยังงานเลยบะไอ้เสือนี่มันสําคัญจริงอคติดาลินเถียงแทนแต่สีหน้าและแววตาของหลอนก็ส่อแววขบขันอยู่ไม่น้อย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 อย่างไม่แสดงท่าว่าจะหวาดระแวงอะไรแล้วกระซิปขึ้นอย่างเป็นห่วงคุณใช้เงาทรายเป็นคนนำทางถ้าทางเขาไม่ได้ระวังตัวอะไรเลยควรจะเตือนให้รู้ไว้ด้วยก็ได้รับคำตอบพูดหว่วนจากพรานใหญ่ว่าป่วยการจะไปสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำไม่ต้องไปห่วงมันหลอกห่วงตัวคุณหญิงเองก็แล้วกันไทยแหวงพูวดออกมาเมื่อไหร่หาที่หลบไว้ก่อนอย่ายืนประจันหน้าอย่างที่แล้วมา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 ซึ่งเป็นต้นสายของลำธารป่ารอบด้านที่ผ่านไปเริ่มเขียวเฉาอุ่มขึ้นเป็นลำดับอุดมไปด้วยเฟิร์นและกล้วยไม้ผีเสื้อตัวใหญ่ๆหลากสีปรากฏให้เห็นชุกชุมขึ้นทุกขณะสลับไปกับดอกไม้ป่าอันตรการตาธรรมชาติของพงไพรในละแวกนี้เต็มไปด้วยชีวิตชีวาตื่นตาตื่นใจขึ้นอันเป็นธรรมชาติของป่าที่อยู่ใกล้เคียงกับแปล่งน้าทั้งหลาย แตกต่างไปกับดงกระดา น, นแห้งผากปานนรกที่ผ่านมาแล้วยิ่งใกล้เข้ามาเสียงน้ํากระแทกหินผาก็ยิ่งดังสนัน่นระอองน้ําโดยปลิวมาเย็นฉ่าปกคลุมป่ารอบด้านอยู่ทั่วไปเอื้องพึ่งกระเช้าสีดาได้ช้างน้าวเกาะอยู่ตามคาคบของไม้ใหญ่แลเห็นพราวสะพ่างรานตาไปหมดพื้นดินอุดมไปด้วยพวกว่านสารพัดชนิดออกดอกป่าหนึ่งจะอวดแข่งสีสันกันอยู่สนอน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 และปริมาณน้ำในยามนี้ก็มากสายน้ําไหลตกลงมาเป็นรูปโคง้งราวกับฉากทาราบทบางหน้าผาเช่นงงอนอันเป็นแนวตัดได้ระดับราวกับมือสวรรค์มาเนรนมิดไว้รอยของไอ้แหว่งและบริวารของมันทั้งสองเดินตามทางด่านลงมาอย่างแอ่งน้ําตกแห่งนี้แล้วก็อันตรธานหายไปอย่างไม่มีร่องรอยราวกัว่ามันจะละลายหายไปกับสายน้ําหรือมิฉะนั้นก็ดำดิ่งลงไปชำแรแลกตอนอยู่ใต้กระแสน้ำเบื้องล่าง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 เพื่อนชายโครงศีษะซุดตัวลงนั่งพังภาพถอดหมวกออกวักน้ำโกรกศีษะส่วนรพินสอบซักพรานของเขาทั้งสามที่ทแยกย้ายกันไปตรวจดูรอบๆทั้งเกิดเสยได้จันสันหน้าได้แต่เบิกตาดูกันอย่างงุนงงรพินกัดริมฝีปากแน่นกวาดสายตาไปยังบินเวณรอบด้านอีกครั้งอย่างใครครวนขนาดหนักแล้วเบนมาจับเจ้า อ, อยู่ทีแง่สายขม็ง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 อึดใจใหญ่ก็ลดมือลงจากการที่ค้ำคอแงซายไว้สีหน้าและอาการของเขาส่อชัดว่าพยายามจะสะกดกั้นความรู้สึกไว้อย่างยากเย็นที่สุดไม่พูดอะไรอีกเลยจนคําเดียวแล้วินหันหลังกลับคว้าไร่เฟินกระโดดโครงลงไปในแอ่งน้ําแล้วเดินลุยตรงเขา้าไปยังตําแหน่งน้ําตกที่พุ่งเป็นลำลงมาสํารวจหารูทางอยู่อึดใจทุกคนก็เห็นร่างของเขาฝ่าสายน้ําตกหายรับเข้าไปทางมุมหนึ่งโดยไม่สนใจกับเสียงร้องตะโกนถามของชายยัน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 ในฐานะที่คุณหญิงก็บอกผมเองว่ารักมันรากับน้องชายต่อสู้ป้องกันและออกรับแทนมันมาตลอดเวลาหญิงสาวส่งยิ้มหวานะระลื่นมายัางความกราดเกลี้ยวลุ่นมัวของเขาซุดตัวลงนั่งคุกเข่าตรงหน้าสายตามีกระแสวิงวอนและปลุกปลอบเอื้อมมือมาจับแขนเขาไว้พูดเสียงเบาอ่อนหวานอย่าเปี่ยวกาดนะสิค้ารพินระงับอารมณ์ของคุณไว้บ้างอย่างน้อยก็นึกว่าเห็นแกฉันเถอะ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 มันก็กลายเป็นความจริงขึ้นมาเขาไม่ได้มีเจตนาจะปิดบังอำพางแม้แต่ต้นเลยแง่ท า, ายเป็นคนแปลกแปลอย่างนี้เองแหละคุณก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วเขาเป็นคนผูกพันอยู่กับความฝันและมักจะฝันได้แม่นยำเสมอเชื่อมันสิไอ้คนคีดฝันคนนั้นรับผินต่อข้ออย่างพุ่งพ่านควักบุหรี่ออกมาคาบใหม่มือสั่นชายยานหัเราะเบาๆรีบควักไร้เตอร์ออกมาจุดให้ย่างเอาใจ พรานใหญ่รู้สึกตัวในอารมณ์ฉุนเฉียวรุนแรงของตัวเองยกมือไหว้ชายยันนกฝืนหัวเราะแค่นๆกล่าวสิงอ่อนลงเอาแล้วครับผมพยายามจะเชื่อตามที่คุณหญิงบอกนี่แต่ขอให้รู้ไว้ด้วยว่าถ้าแง่ายฝันอย่างนี้เสียแต่เนิ่นๆพวกเราจะต้องไม่ต้องเหนื่อยยากเบืองเวลาเปลืองชีวิตและข้าวของไปมากมายถึงเพียงนี้ไอ้แหว่งเกยไปนานแล้วกรุณาไปเตือนหมอนั่นเสียด้วยว่า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 แต่ถึงอย่างไรเขาก็บอกให้คุณรู้ไม่ใช่เือแม้ว่าจะเป็นวินาทีสุดท้ายดารินแย้งเบาๆเอียงคอยยิ้มรพินอึ้งไปนานและถอนใจเฮือกครับมันบอกเพื่อแก้งโง่ของพรานใหญ่ภายหลังจะกรอดูเชิงจนแน่ใจแล้วว่าถ้ามันไม่บอกก็งโง่งมอยู่นี่เองเก่งมากเจ้าแง่สายคนนี้โทรพิน คุณก็คอยคิดเอาแงาเอางอนถือเหลี่ยมถือเชิงอะไรกับแง่า ย, ายอยู่อย่างนี้นีน่นถึงได้มองเขาในแง่ร้ายอยู่ตลอดเวลาทำไมไม่มองเขาในแง่ดีบ้างถ้าไม่มีแง่ทา ย, ายป่านนี้คุณก็ยังงมอยู่นั่นเองว่าออ้แหวงเหาะหรือว่าดำดินไปทางไหนระินคอแข็งพูดอะไรไม่ออกผมอยากจะขอร้องคุณเรื่องนี้เหมือนกันลิมเจ๊เถระพินมาว่าถึงแผนการของราต่อไปดีกว่า โดยนี้เรารู้ด่านลับนั่นแล้วและรู้แน่ว่ามันเพิ่มจะอาศัยทางนั้นหลบเราเข้าไปในหุบหมาหอนหยกหยกมา น, นี่เองประตูชายเห็นอยู่แค่นี้แล้วไม่ใช่หรือชายยันตกใจเอ่ยเป็นงานเป็นการมาภายหลังตึกจองอยู่ครูใหญ่เขาก็บอกว่าลงรู้ทางแบบนี้แล้วก็ง่ายที่สุดแล้วครับแต่จะอย่างไรเสียสําหรับวันนี้เราคงตามมันไม่ทันแล้วนี่ก็เย็นเต็มทีถ้า่ําในหุบหมาหอนจะไม่พอคืนนี้พักที่นี่สักคืน ผู้มีเช้าค่อยตามมันไปนายผ่านตีนอกราชการยกนันกาข้อมือขึ้นดูขณะ น, นั้นเป็นเวลาสิบห้านาตรงความมืดสลัวกําลังโรยตัวลงมาปกคลุมป่ารอบด้านเสียงนกยูงที่ไม่เคยได้ยินกันมาเป็นเวลานานร้องแว่วลงมาจากยอดไม้สูงสั่งสนธยารอบด้านแทรระงมไปด้วยเสียงจ้ ก, กระจันร้องนายคราตะโกนไปกับเสียงน้ําตกกระทบแก่งหินอีกไม่นานนักป่าทั้งป่าก็มืดสนิทลงแล้ว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 รับรองว่าไม่เกินสินาทีว่าแล้วหล่อนก็ผาเดินอ้อมหินใหญ่ทุกนั้นลับหายไปชายันหัวเราะหึห่หันมาสายหน้ากับพรานใหญ่บนพรมแต่ละพินบอกมาเบาวๆว่าน่าหินใจหรอกครับตอนครานกับผมเขาเป็นดงผากเธอโดนขุยผากทั้งตัวขนาดผมเองยังทนแทบไม่ไหวเลยแต่ช่วยเตือนให้รีบอาบรีบขึ้นก็ดีน้าในลาธารในป่าพอหมดแสงแดดลงแล้วตามปกติแล้วเขาไม่อาบกัน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 คืนนี้พวกเราจะนอนกันหมดทุกคนไม่ต้องมีใครอยู่ยามเตรียมกําลังไว้สําหรับพรุ่งนี้ให้เต็มที่เขาบอกชายาญกว่าสายตาสํารวจไปยังป่าทึบรอบด้านอย่างไม่ไว้ใจแล้วถามว่าวันนี้เราเพียหนักกันหมดทุกคนอะไรมันย่องเข้ามาเราจะได้ยิงกันหรือผ่านใหญ่บุยปากไปยังรั้วกิ่งไม้แห้งเหล่านั้นนั่นคือยามหรือสัญญาณเตือนภัยให้เราได้ยินครับกิ่งไม้แห้งจะลั่นขึ้นถ้ามีอะไรย่องผ่านเข้ามา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 ถ้ามันย้อนกลับออกมาคืนนี้เราต้องได้ยินเสียงครับนายหญิงจันต่อลนมาแทนด่านรับใต้ผาน้ําตกนั่นเป็นยังไงบ้างแล้วพินชั ย, ยันถามต่อมาเป่าควันบุหรี่ลงต่ำพรานใหญ่ชมเรืองหางตาไปทางแง่ซายอีกแว บ, บหนึ่งกเลียงหนุ่มร่างยากบัดนี้นอนตะแคงขคดตัวหันหลังให้ห่างออกไปทางด้านซ้ายใกล้กับก้อนหินมีผ้าของมา้าเก่าๆพันอยู่รอบหน้าหลังจากกินข้าวเสร็จ แง่าสายไม่ได้เข้ามารวมกลุ่มอยู่ด้วยหากต่ปลีกตัวแยกไปล้มตัวนอนทันทีเป็นปากถ้ำลักษณะแปลกมากทีเดียวครับไม่กว้างใหญ่นักแต่ก็ขนาดที่ช้าง2ตัวเดินคู่กันผ่านเข้าไปได้อย่างสบายผมยังไม่ได้สำรวจดูละเอียดนักตอนนั้นก็ไม่ได้เอาไฟฉายติดตัวเข้าไปด้วยมองเห็นอะไรได้เพียงตะคุ่มตะุ่มเท่านั้นเพราะสายน้ำตกหนาทึบเป็นฉากบังแสงสว่างจากข้างนอกไว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 คุณจะไม่บีบ บ, งบังคับแง่ซายเกินไปหรือคุณหญิงจะเข้าใจอย่างนั้นก็ได้เป็นเสียงตอบก้าวๆเฉียบขาดดารินนิ่งไม่ได้โต้แย้งอะไรอีกระดับน้ำลึกซึกเท่าไหร่หลังม่านน้ำตกเข้าไปจนกระทั่งถึงปากถ้ำชา ย, ยันสอบถามต่อมาก็ประมาณแค่คอครับจากม่านน้ำตกเป็นบริเวณวังน้าลึกเข้าไปอีกราวยี่สิบหลาก็จะถึงผนังผา ปากถ้ำอยู่ในตำแหน่งใจกลางของผนังผากลางระดับของแม่นน้ำตกมีก้อนหินสลับเป็นชั้นเหมือนชั้นบันไดให้ไต่ขึ้นไปถึงปากถ้ำได้อย่างสบายแต่ลื่นมากแปลว่าเราจะต้องฝ่าสายน้ำตกและเดินลุยรอยคอเข้าไปจนถึงปากถ้ำนั่นเปียกโชกไปทั้งตัวสิก็ต้องโชคกันละครับก่อนจะไปถึงเวิ้งข้างในได้สัมภาระติดตัวของผู้เราชนิดไหนที่จะยอมให้เปียกน้ำไม่ได้ก็เห็นจะต้องคลุมผ้าพลาสติกไว้ลำเลียงกันเข้าไป